ช่วงนี้นเป็นช่วงธุรการงานอย่างที่ผมเคยพูดกล่าวย้ำมาหลายครั้งวันนี้ก็เป็นวันที่25าเมษาห้นยวันที่27ิดที่จะถึงก็เป็นวันงานการที่วันงานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่กับผมมานานเคยพูดมาหลายครั้งว่า ก, การจัดงานผมก็ไม่ได้เคยจัด จัดก็คือกระถิ่นเองกรถินนี่ก็คือเป็นงานที่ของสงที่จะต้องจัดต้องทําจากนั้นก็เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลประจําวัดของเราอันนั้นผมก็เคยจัดขึ้นมาก่อนนิมนต์ครูบาอาจารย์มารับทานมารับยธยทานเรียว่าพวกเราเป็นผู้ทําบุญการทําบุญก็เป็นมีความหมาย มีความหมายสําหรับตัวของผมเองและกัพร้อมกันก็มีความหมายสําหรับพวกเราพระเนนญาติโยมทุกท่านด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลประจําปีฉนันคิดว่าน่าจะมีเพราะนั้นรู้สึกว่าจะเป็นงานที่จําเป็นสําคัญสําหรับวัดของเราผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าวัดของเราสร้างมาก็หลายปีญาติโยมที่ให้การสนับสนุนตลอดถึงพระ ก็ได้ล้มหายตายจากไปปีหนึ่งพวกเราควรจะทําบุญอุทิศส่สวนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นพอท่านเหล่านั้นได้มาก่อสร้างวัดของพวกเราที่พวกเราได้พึ่งพาอาศัยอยู่นี่บางทีก่อนด้วยกําลังแรงกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาของท่านได้มาช่วยเกือ้อกูลห น, นุนจนเป็นรูปเป็นร่างเป็นวัดวาศาสนาขึ้นมาพวกเราก็ได้รับความสะดวกสบาย จากท่านผู้คิดก่อนที่พวกท่านเหล่านั้นได้มาเกื้อกูลหนุนได้มาช่วยทั้งวัตถุเงินทองตลอดถึงกําลังกายกาลังความคิดปัจแจบบุบพวกเรายังมีชีวิตอยู่พวกท่านเหล่านั้นได้ล่วงรับดับขันไปแล้วในเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปตายไปพวกเราก็ไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ในภพภูมิใด เพราะหลายท่านหลายท่านต่อหลายคนบางทีอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากอาจจะพ้นเวรพ้นกรรมมายังมาคอยรอคอยพวกเราอยู่อย่างนี้แต่พวกเราทําบุญทุกครั้งเรืยกว่าทําบุญไปอาจจะไม่เด็ดระลึกถึงแต่คราวนี้เราประกาศให้ระลึกถึงผู้มีพระคุณสําหรับมาช่วยเหลือวัดของเราอันนี้ก่อนนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์มาแล้วเราก็ทําบุญทําทาน ประกาศให้ทั่วถึงตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องวงสาคนายาตของพวกเราทุกๆท่านด้วยการทําบุญคราวนี้แปลว่าอุทิศส่วนกุศลประจําวัดของเราอันนี้ก็มีความหมายที่จะทำต่อไปภายภาคหน้าแต่คราวนี้วันที่ย7ที่จะถึงอันนี้ไม่ถือว่างานจำเป็นและสำคัญแต่คนอื่นให้ความสำคัญกับหลวงพ่อเท่านั้นเองแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้ถือว่างานสาคัญ เพราะาการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องมีวันเกิดจะไม่มีวันเกิดได้ยังไงเมื่อมีวันเกิดัทธายาตมโยมกามาทำบุญลํำลึกถึงว่าหลวงพ่อเป็นผู้ได้พูดได้แสดงรมได้ชีน้นาแนวความคิดแล้วก็ได้พร้อมกันมาแสดงมุทิตาสักกระเ ร, รือว่าแสดงความเคารพนับถือในวันเกิดของหลวงพ่อ อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายที่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มาพวกท่านทั้งหลายต้องมาอย่างนี้หลวงพ่อไม่เคยคิดแต่มาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่ที่ผ่านๆมาแหละสิสิในเมื่อมาแล้วในฐานะที่หลวงพ่อเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องจะทํำยังไง ในเมื่อศรัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานญาติพี่น้องสหธรรมิกพระเนนเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการต้อนรับขับสู้อันนี้เป็นธรรมดาทีนี้ในเมื่อมาแล้ ว, วในเมื่อต้อนรับขับสู้แล้วจะทำยังไงก็ต้องพระเนรในวัดศรัท ธ, ธาญาติโยมที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทํามาหลายวันวแต่หลวงพ่อเองก็บอกกับพวกเราทุกๆท่านนั่นแหละหทําอะไรอย่าไป จริงจังจนเกินไปอย่าไปเครียดจนเกินไปทําแบบสบายๆทาไปเรื่อยๆถึงวันมันกระจบเองอันนี้ก็งานก็เข้ามาเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆข้อสําคัญเรื่องตัวไหนที่จําเป็นและสําคัญหลวงพ่อก็ได้เน้นได้บอกเอาไว้ว่าตัวไหนที่พวกเราควรจะทำํำช่วยๆกันคิดนะจุดนี้จุดนั้นอันนี้ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูแล้วก็เข้ามาในหลักที่จะเสร็จไปเรียบร้อยไปแล้วก็คงไม่มีปัญหานะสรุปแล้วนะถึงวันเขาคงจะไปได้ดีคงไม่มีอะไรแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราทุกๆท่านนะถึงจะมีงานมีการอะไรก็ตามพญาแมจุราชความแก่ความเจ็บความตายเขาไมา่ามมาได้พักไว้นะชว่วงนี้หลวงพ่ออินกําลังทํางานเราจะไปเร่งมากนะปล่อยไว้ก่อนต่อไปเราจะค่อยเร่ง จะค่อยขยับเข้าไปเขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะทหารพยามตุราชต้องพยายามขยับเราทุกเวลานาทีไม่มีการที่จะขยับขยายนะเนี่ยพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านนะอย่าไปเร่งแต่ทางานแต่ภายนอกอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะก็ให้เร่งดูจิตดูใจของตนเองด้วยให้สั่งสมบุญกุศลด้วยแต่การที่ทํางานในครั้งนี้ ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเป็นการสั่งสมบุญกุศลเหมือนกันที่พระสองฆ์องค์ระเจ้าญาติโยมมาเราก็เด็กแสดงออกถึ่งกําลังกายกําลังวาจากําลังใจของเรากําลังทรัพย์ของเราความกําลังสติปัญญาของเราที่เด็กจะเกื้อกูลหนุนที่จะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราคิดไปในทางกุศลนะถ้าเราเป็นคิดไปในงแง่ของอกุศลก็ เกิดอกุศลได้ง่ายๆเหมือนกันะฉะนั้นในครั้งของพุทธเจ้าถ้าเราคิดไปในแง่ ต, งง ต, ลล ต, งต้องการสะแสวงหาอาติเลกลาบต้องการยศต้องการเจรเสรินอย่างนี้มันก็เป็นอกุศลไปแล้วแต่ ถ, ถ้าว่าเราทำเพื่อชุมชนและสังคมถึงจะเป็นยังไงเราก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเรา เวลาพระสองฆ์องค์เจ้ามากือเอา้ามาก็ดีได้มาพบมาเจอกันเนี่ยแล้วกทำบุญทำทานไปตามอัตภาพตามที่มันเกิดมันมีขึ้ น, นคือไม่สรุปแล้วก็คือไม่แหกเดือดร้อนผู้ใดใครผู้หนึ่งทำโดยความสบายใจแต่ว่าเดือดร้อนอไม่รู้จักจบไม่รู้จักแผลไม่รู้จักข อ, อทําอะไรไม่มีฮิริโอตปะไม่มีความละอายมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะเดือดร้อนวุ่นวาย อันนั้นหลวงพ่อไม่ให้ทําไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราเป็นพระป่าพระรงพระกรรมฐานอยู่แบบสันโดษสันทุตถีปรมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งและเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นไปก็ยังพระพุทธเจ้ายังสอนให้เป็นผู้มีอภิจชะตาเป็นผู้มักน้อยสันน้อยอีกมักน้อยสันโดษอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าโรงพงไพ่ท่านจึงให้ อย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นหนี่แหละแต่ถึงยังไงยังไงถ้ามันมีมาก็ไม่ว่ามันมีมาโดยเป็นธรรมถ้าไม่มีมาเราก็ไปควรจะโศแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปเราควรจะโศแสวงหาธรรมเข้าในจิตในใจอันนั้นเลิศประเสริฐกว่าแต่ถ้าคําว่าผู้ใดโศวแสวงหาออกไปภายนอกเหลืองลาบเหลืองยศเหลืองจันทเสริญเรื่อง สุขภายนอกอันนั้นเป็นหนทางที่ไม่ถูกต้องพระในครั้งพระพุทธเจ้าหลวงพ่อได้อ่านในพระไตรปิฎกบางครั้งพระเถระผู้ใหญ่ท่านก็สอนลูกศิษย์แบบท้านพิจารณาอีกแบบหนึ่งเหมือนกับประชดประชันบางั้นเถิดประชดประชันแต่พิจารณาดูแล้วท่านไม่ได้ประชดประชันท่านพูดตามเหตุและผลตามความเป็นจริง แต่ผู้ที่จะฟังนั้นจะเลือกเฟ้นอย่างไรอันนั้นคือท่านให้พิจารณาท่าจะเอาอยัางไงอย่างที่พระหนุ่มองค์หนึ่งเข้าไปกราบท่านพระโมกคาราพระโมกขารานะอัครสาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านมีญาติโยมท่านเป็นครูบาอาจารย์ตรงนั้นแต่พระหนุ่มองค์ น, งนั้นก็เข้าไปถามท่าน ข อ, อการครับคงจะเป็นภาษาบ้านเราก่อนขอโอกาสครับท่านพระอาจารย์จะทํำยังไงจึงจะมีลาบมียศมีสรรเสริญมีคนยกย่องออมีอัตเลกลาบเกิดขึ้นจะให้จะวางตัวยังไงจะพูดตัวอย่างไ ร, ร, งไรครับผมสรุปแล้วก็คือถามปัญหาถ้าว่าพระอยากจะได้ลาบได้ยศอยากจะได้คนยกย่องสรรเสริญนั้น ควรทตัวอย่างไรพระโมกัาลาท่านก็บอกว่าถ้าท่านทำได้ทั้งสี่อย่างเนี่ยท่านก็จะมีลาภปียตมีสรรเสริญมีคนยกยอก่องข้อที่หนึ่งทำตนให้เป็นคนไม่มีฮิริโอตปะท่านว่านะ่ะทำสิ่งใดที่ไม่มีฮิริโอตปะพอขอขอพอทำอะไรก็ทำไปออกเกลี่ยไรผูดถากทา ง, ทางขอไปเลย หรือไม่มีฮิริคือความละอายแก่ใจแล้วก็ไม่มีโอตปะคือความกลัวต่อบาปอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำตนให้เป็นคนเสียจริตทำตนให้เป็นคนเป็นบ้าคล้ายๆกับว่าเงาๆพูดพูดอะไรไปผิดผิดถกถ ก, ถกลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คนที่เป็นบ้าแบบเดียวกันเข้าก็เอออันนี้คล้ายๆว่ากล้าพูดกล้าแสดง เออเขาก็นับถือไปอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันเนอันนี้พระโมกคาลาท่านสอนพระองค์นั้นนะอ่อันที่สามท่านว่าทําตนให้เป็นคนสอเสียดเนี่ยคล้ายกับยกคนนั้นชมคนนี้เนีเข้าไปหากูบายอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เข้าไปแล้วแต่เนีคล้ายๆกับไปตาําหนิคนนั้นคนนี้จบแล้วก็คือตัวเองเป็นบุคคลสําคัญขึ้นมา เขาไปการส่อแสไปเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเพื่อยกยอปอปัน้นตัวเองเนะ่ยยกยอปอปัน้นผู้ที่ตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้อันนี้ก็อติเละาลาบก็จะเกิด่านวานะแล้วก็ข้อที่สทํทำตนให้เป็นคนตื่นข่าวเป็นคนตื่นข่าวเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นมาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดสรุปแล้วก็คือเรื่องทั้งเรื่องเป็นเรื่องตื่นข่าวยัง ทุกวันนี่ยแมีเรื่องอะไรตื่นข่าวเรื่องพญานุ่งเรื่องพญนาคเรื่องจตุคามอะไรลักษณะอย่างนั้นอะ่ะทีนี้นที่เป็นตื่นข่าวเป็นเรื่องเนีน่เอามาพูดแบบนั้นให้คนตื่นตื่นข่าวอันนี้อาตีเลกขลาเล่าก็จะเกิดขึ้นแกทน่ท่านท่านพอจําได้ไหมหนึ่งทำตนให้เป็นคนไม่มีหิริอตตะปะอคือไม่กลัวต่อบาปเป็นคนพระหน้าด้านนะพูดง่ายๆอันที่สองทำตนให้เสียจริต เนี่ยคือพูดอะไรก็พูดไปแบบไม่เกรงกลัวใครเหมือนนักเกลงหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันที่สทําำตนเป็นคนส่อเสียดสอเสียก็คือยกคนอื่นไม่ดีทั้งหมดว่างั้นแต่แต่ก็ยกย่องคนที่ตัวเองชอบนะเนี่ยให้คู่ให้คนให้ญาติให้โยมฟังเ น, นี่ยอันเนี้ยเพื่อจะได้ลาบนายศมหาตัวเองทําคนให้เป็นคนตื่นข่าวนี่แหละ ท่านทาได้อย่างนี้ท่านจะมีลากมียศมีชันสูตรมีสุขสุขแบบยกโลกของเขาว่าั้นพระองค์นั้นก็เลยบอกว่าที่ท่านพระอาจารย์แนะนําผมนี่ผมพิจารณาดูแล้วมันเป็นหนทางเดินไปสู่นรกอเวจีครับผมผมทําอย่างนั้นไม่ได้โอ่องนั้นแปลว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญา เ, เป็นผู้มีปัญญาฟังแล้วเข้าใจว่าไงเถอะถ้าทําอย่างนั้น แสดงว่าต้องเดินไปทางไปทางต่ําทางนู้นที่พระโมคขลาแนะนำํทำทําไมพระโมกคลาจึงแนะนําอย่างนั้นใช่ถาาว่าคนประพฤติตนอย่างนั้นมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นคนทั้งหลายมันชอบอย่างนั้นชอบที่คนที่ไม่มีเฮลิโอตาปะโดยมากจะเป็นลักษณะนั้นถ้าว่าคนที่มีเฮลิคือความละอายแก่ใจโอตาปะความกลัวตวบะอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเรียบง่ายเป็นที่ อยู่แบบมีศีลธรรมมีจริยธรรมอยู่แบบเงียบสงบโดยมากจะไม่ค่อยมีชื่อมีเสียงอย่างนั้นแหละลักษณะอย่างนั้นที่พระโมกคลาที่ท่านบอกกล่าวให้พระองค์นั้นอันนี้คนหน้าคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านนะจะเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะเป็นพระที่สมบูรณ์อยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ขอให้เป็นผู้มีฮิลิคือความละอายแก่ใจ สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องอย่าทํามีอดตปะปาคือความกลัวต่อบาปสิ่งไหนที่มันไม่ควรสิ่งไหนที่ไม่ควรจะทําก็ไม่ควรทำํำให้กลัวเอาไว้ถ้าทําไปแล้วเป็นบาปอกุศลขึ้นมาสู่เข้ามาสูจ่จิตใจของพวกเราอันนั้นก็ไม่ควรจะทำํำ <Hey. S 1> ก่อนที่จะคิดอะไรออกไปที่จะหลุดปากด้วยการกระทําออกไป ให้คิดไว้อยู่เสมอเอ๊ะถ้าเราพูดอย่างนี้หรือการกระทำของเราออกอย่างนี้เขาจะไม่ว่าบ้าเลยเนี่ยฮะอันนี้เราต้องคิดไว้อยู่เสมอเราต้องคิดไว้เพราะว่าการกระทำบางสิ่งบางอย่างถ้าออกออกไปอย่างนี้เขาจะไม่ว่าบ้าเลยเนี่ยอันนี้ใครว่าเป็นเบรกห้ามตัวเองคิดซะก่อนค่อยพูดค่อยทำนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่สอเสียดยาการสอเสียด ยุยงให้คนนั้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะกันยกคนนั้นเหยียบคนนั้นเหยียบคนนีนะ้มันไม่ถูกมันต้องเป็นพระไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คนตื่นข่าวก็เหมือนกันข่าวไม่เป็นเรื่องออกขึ้นมากุกข่าวขึ้นมาเพื่อจะให้มันเป็นคนโด่งดังขึ้นมาสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นก็เป็นขึ้นมา ไข่พญานุกยังไขพญนาไปเจอพญานาคยังดังเรื่องอย่างนี้ไอ้เรื่องพระเล็กไรยังนั้นเล็กไหลอย่างนี้นีอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คือตื่นข่าวตื่นเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่หลักของพุทธศาสนาท่านไม่ให้เป็นอย่างนั้นท่านให้ดูใจของเราเนาะเป็นหลักเป็นเรื่องที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสําหรับพระให้ดูใจอย่าลืมซึ่งอย่างอื่นเป็นวัตถุอย่างอื่นคือเป็นดินน้ําลมไฟเท่านั้นเอง เป็นเงินคําทรัพย์ส่วนวรรคคือกระดาษคือวัตถุสิ่งของเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนอกจากบุญกับบาปถ้าเราไม่ได้ทำเอาไม่ได้เราไม่ได้นําสิ่งเหล่านั้นมาทําประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทํานําสิ่งนั้นมาให้เกิดประโยชน์มันจึงเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทํำยังไงจึงจะเกิดประโยชน์การเกิดประโยชน์นั้นไม่ใช่ไป ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วทำให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยแล้วจะทำประโยชน์มันจึเกิดประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นแล้วยังค่อยเกิดประโยชน์อันนั้นก็ไม่ไม่ดีนะไม่ดีถางว่าเดือดร้อนตนเออใช่ตัวเองเล่งความผากความเพียรเล่งภา ว, วนานั่งภาวนามันก็เดือดร้อนตนเองบ้างแต่ว่าผลที่ได้รับนั้น เรามุ่งหวังผลสูงเรานั่งเจ็บปวดแข้งปวดขาก็จริงอยู่แต่เรามุ่งหวังเพื่อจะให้จิตของเราสงบเราดูใจของเราสงบเราดูใจของเราแต่ร่างกายของเรามันก็มีบ้างมันเดือดร้อนจจกายแต่ว่าใจของเราแต่รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้มันก็ได้สุขภาพกายเจ็บปวดแต่ว่าใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขถ้ามาบวกลบคูณหารดูแล้ว ขาดทุนกําไรอย่างไรได้ใจเป็นมหากุศลได้ใจเป็นกําไรยอดยอดเยี่ยมยอดจิ่งนะอย่างพระพระทุทธเจ้าที่ท่านไปอยู่ในป่ารงถึงหกปีอย่างนั้นถ้าจะว่าไปท่านทรมานกายของท่านถ้าท่านอยู่ในเวียงในวังละ่ะท่านมีความสุขไหมใช่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าผลที่ได้รับนั้นคืออะไรมันปลายของชีวิตท่านได้อะไรตายไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยกิเลส ถ้าว่าท่านไปอยู่ในป่ารงพงไยไทยท่านทุกทรมานเพราะท่านต่อสู้อดอยากขาดแคลนในการเป็นอยู่ท่านแต่ใจของท่านบริสุทธิทธ์หลุดพ้นจากกิเลสไม่มีราคะโภสะโมหะเป็นสยามภูรูร้ยดแจงโลกเป็นพระพุทธเจา้าอันไหนมีคุณค่ากว่ากันอันนี้พวกเราไม่ต้องคิดเพราะว่า ทางว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ทางว่าท่านล่วงลับดับคันไปเกียรติกิิตศัพท์ชื่อเสียงของท่านก็คงไม่โด่งดังมาถึงขนาดนี้เพราะว่าจากพระพุทธเจ้าปรินิพานมาสองพกว่าปีพระมหากษัตริย์อยู่ในโลกนะ ไ, มไม่รู้กี่องค์ตัวกี่ท่านตีท่านตัวกี่ท่านมากมายมหาศาลก็ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ไหนที่จะ ชื่อเสียงโด่งดังมาถึงขนาดอย่างพระพุทธเจ้าของเราศิลธรรมของเราเนี่ยถ้าจะว่าแล้วทั้งกิติศัพท์ภายนอกทั้งภายในของพระ อ, องค์ท่านสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะนั้นกิ่นศีลกลิ่นธรรมพุ่งกระจรไปในทิศทั้งสี่ทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตกพุ่งไปได้แต่ถ้าว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทร์ หอมไปได้แต่ตามลมเท่านั้นหอมทวนลมไม่ได้เนี่ยกลิ่นต่างๆและก็หอมไม่ได้ไกลอีกต่างหากแต่กลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นคุณงามความดีเนี่ยฟุ้งขจรไปในทิศทั้งสี่ทั้งทวนลมตามลมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงยกจ้องว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมกลิ่นคุณงามความดีเนี่ยสมควรอย่างยิ่งพวกเราควรจะสั่งสมไว้ให้มากถ้าทําไว้ให้มากแล้ว กระจรกระจายไปในทิศทั้งสี่ถ้าหาว่ากลิ่นความชั่วก็เหมือนกันความชั่วของเราถ้าเราทําไปแล้วมันก็กระจายไปในทิศทั้งสีเหมือนกันแต่เป็นกลิ่นเหม็นนะกลิ่นเหม็นกระจายไปในทิศทั้ง4ีนะ่ไปในที่ไหนเขาก็ว่าอย่างพระเทวทัตอยู่ในทะี่ไหนเขากระวบเทวทัตเป็นยังไงการกระทําของพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แปลว่า ก, กลิ่นของ ความชั่วก็ไปในทิศทั้งสี่เหมือนกันกลิ่นคุณงามความดีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมก็ไปในทิศทั้งสี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราชอบกินไหนหกินเหม็นกับกิ่นหอมไม่ต้องพูดใครๆก็ชอบกินหอมทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นข้ากลิ่นหอมพวกเราก็ให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวนานี่ยละ เป็นเรื่องที่จําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายมองข้ามไม่ได้เรื่องกิตตภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นยอดกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่แต่ตามไม่จริงถ้าเราจะไปมองข้ามส่วนอื่นทานศีลภาวนาก็ไม่ได้แต่ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างต้นไม้พยุงต้นไม้ประดูต้นไม้มะขามอันไหนมีคุค่ามากในต้นไม้เหล่านั้นก็พูดได้เลยว่า แกน่นแก่นมีคุณค่ามากที่สุดในบรรดาไม้ประดูมะค่าตะเคียนทองไม้พยุงไม้สักคือแกน่นแก่นเป็นสิ่งที่ต้องการของพวกเราแต่ถ้าหากว่าต้นไม้ต้นนั้นมันเกิดขึ้นมามันเป็นแก่นเลยใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นต้นไม้เล็กสะกดต่อมามันก็คือจายเมื่อเรารักษาดีแล้วมันก็ต้นใหญ่ขึ้นมา เป็นมันมีเปลือกมีกระพี้จากนั้นมันก็สร้างแก่นขึ้นมาสร้างแก่นขึ้นมาแก่นก็คือมีคุณค่ามากเลยถ้าเราจะไปเอาแก่นปลูกขึ้นมาเป็นไม้แกน่นเลยก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าเลิศประเสริฐสุนุดก็คือจิตภาวนานั้นก็ต้องเป็นมาจากทานศิลมันเกี่ยวเนื่องกันมาจากนั้นะ การฟังการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติคนที่มีทานจิตใจกว้างขวางจิตใจเยือกเย็นจิตใจโอบอ้อมอารีไปที่ไหนก็ไม่เดือดไม่ร้อนมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขพราะมีน้ําจิตน้ําใจจากนั้นคือศีลก็รักษากายวาจาของเราด้วยไม่ให้มีโทษการพูดการแสดงอะไรออกไปก็ไม่ให้กระทบกระเทือนเดือดร้อนคนอื่นนะนะก็คือกับพี ส่วนแก่นก็คือธรรมะคือจิตตภาวนานะมันเกี่ยวเนื่องกันภาวนาเนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญถ้าว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามถ้าว่าไม่ได้ภาวนาก็แปลว่าไม่ถึงแก่นต้นไม้นะั้นไม่มีแก่นถ้าต้นไม้ไม่มีแก่นก็ไม่มีคุณค่าถึงจะต้นใหญ่แต่ไม่มีแก่นอันนี้ก็เป็นไม้ที่ยังไม่มีคุณค่าแต่ถ้าว่าไม้มีแก่นนะข้างในอันนั้น ประเสริฐเลิศประเสริฐเป็นที่สนใจเป็นที่ต้องการของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักลงให้ดูให้เกิดเป็นแก่นที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่ก่อนที่จะเกิดเป็นแก่นนั้นมากับเป็นมาตามลําดับตั้งแต่ทานศีลภาวนาแต่นี้การสร้างแก่นให้เป็นแก่นที่แท้จริงนั้นคืออะไรที่นั่งภาวนาอย่างพวกเราปฏิบัติกันอย่ายู่ตามลําพัง กุติของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าไปม่วสุมคุยกันอย่าไปพุยกันในเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ถ้าว่าเราพูดคุยกันไม่มีประโยชน์แล้วทำให้เสียหายทำให้เราเนิ่นช้าทำให้เราไร้ประโยชน์ในการบวชในการเป็นอยู่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระกรูบาอาจารย์ท่านจึงให้เน้นนะเรื่องภาวนา อยู่นะที่ใดให้มีสติกับตนเองมีสตินะคําว่านี่อันนั้นแหละคือมาก่อนนะจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่กับตนเองได้เมื่อสติแล้วกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดให้มีให้อยู่กับจุดอันแน่วแน่กาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือว่าก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาเราทําการทํางานปัดกวาดเบี่ยงขวาพุทเขียงซ้ายโท รเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดเราให้มีสติอยู่กับตัวเองคุมควบคุมอยู่กับตนเองว่าเรานั่งอยู่ในสถานะไหนอย่างพวกเรานั่งอยู่ในขณะนี้ให้มีสติอยู่ในกับตัวเองเดียวนี้เรานั่งอยู่ยางไงนั่งพับเพียบเอามือประสานไว้อย่างไรแล้วกว็ให้ดูตัวเองแล้วจิตเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เรามีสติไหมในขณะนี้เนี่ยเราให้มีสติอยู่กับตัวเองว่าเรามีสติอยู่ในกาย กายของเรานั่งอยู่อย่างนี้เราให้มีสติอย่าไปส่งจิตออกไปข้างนอกอย่าไปถึงจงถึงบ้านถึงเมืองถึงพี่ถึงน้องถึงใครก็ตามไม่ควรจะส่งออกไปในขณะนี้เอาสติอยู่ในกายของตนเองเอาใจเอาใจอยู่ในเฝ้านี้ในกายของตนเองแต่อย่างหลวงพ่อพูดเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่งใจมาฟังหลวงพ่อพูดเอาสติอยู่กับตัวเองให้ดูกายตัวเองอยู่เลย จะไปส่งออกมาข้างนอกให้รู้อยู่ในกายของตนเองนี่แหละอันนี้ว่าสติอยู่ในกายในเมื่อเราพยายามทำอย่างนี้หลายครั้งตรอไหนหลายเที่ยวจนเป็นไอจินหรือว่าเป็นนิดตลอดการ จิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนากําหนดลมหายใจจิตก็เข้าสู่ความสงบกําหนดจุดจับจุดไหนจิตใจของเราจับจุดนั้นสติของเราเข้มแข็งจับจุดนั้นได้ในเมื่อจับลมใจก็อยู่กับลมไม่ได้ปูงฟุ้งไปทางอื่นจากนั้นจิตเมื่อจับได้แล้วแต่นี่นั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะเข้ามาหาเราทีละน้อยละน้อยท่านี้เมื่อจิตสงบวาบลงไปเราก็รู้ได้เออจิตนี่แปลก ทําไมจิตของเราจึงใจของเราจึงมีความสุขอย่างนี้นะอันนี้แหละเรารู้เห็นได้แล้วใช่ไหเริ่มเห็นได้เพราะเรามีสติเป็นเบื้องต้นเราไม่ได้ส่งจิตส่งใจไปข้างนอกแต่ถ้าว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมากๆนะความสงบจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดไม่ได้พอเราปฏิบัติเหตุไม่พอผลมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าเหตุพอผลมันจึงจะเกิด เพราะนั้นพยายามทำเหตุให้เพียงพอเหตุก็คือสติของเราให้ดีนะพยายามจับจุดไหนให้ได้ในเมื่อเราจับลมหายใจ <c oughs> ก็อยู่ที่ลมหายใจ <c oughs> ไม่ส่งไปทางอื่นไม่ได้คิดปุงฟุ้งไปทางอื่นให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นในเมื่อหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเราไม่ต้องลมตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาถึงในท้องเราให้อยู่ในปลายจมูกที่ลมกระทบเท่านั้นจากนั้นจิตของเราก็จะเข้า เมื่อจิตนั่นคืจิตรวมแล้วไงจิตรวมเป็นหนึ่งจิตจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบคานิกะสมาธิก็จะเข้ามาเยือนหรือเข้ามาสู่จิตใจของเราใจของเราก็เย็นวา่างสบายในช่วงขณะหนึ่งเอ๊ะผิดปกติของใจทั่วๆไปทําไมแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นอย่างนี้บัดนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องถามใครเลยกานิกะสมาธิเพียงแค่นั้นละ่ะ จะจําไม่ลืมเมือนจาไม่ลืมเพราะเหตุไรเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเจอเคยพบเคยเห็นแต่เรามาเจอครั้งนี้เออเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นครั้งที่สครั้งที่4ี่และครั้งที่หเราก็จะจําได้อีกอย่างชัดเจนอีกเพราะว่าจิตของเราเข้าสู่ความสงบเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นเรื่องที่เออเหมือนกับชีวิตประจําวันของเราที่ว่าเป็นเรื่องที่กระเทือนใหญ่ใหญ่อย่างนั้นนะเหมือนกับถูกหวยรางวัล ร้อยล้านหรือว่า10ล้านครั้งหนึ่งในชีวิตของเราลักษณะอย่างนั้นที่ว่าคณิกะเข้ามาแต่ถ้าหางว่าเราพยายามอยู่บ่อยๆแต่เราอยาอยากอยากอยากให้มันเป็นเหมือนั้นถ้าอยากให้มันเป็นมันจะไม่เป็นเราไม่ต้องคิดว่าจะให้อยากให้มันเป็นอีกแต่เราพยายามทําเหตุให้เพียงพอเราก็พยายามดูลมไปเรื่อยๆกาหนดมันจะเป็นได้ไหมเป็นเราไม่ได้สนใจมันจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เราจะไปคิดมันแต่ที่จิตใจของเราก เมื่อต้นเมื่อเหตุมันพอผลมันก็จะแสดงขึ้นๆๆๆๆๆเรื่อยๆเหมือนเราหาเงินคําทรัพย์สมบัติอย่างนั้นอ่ะแเงินคําทรัพย์สมบัติถ้าเราขี้เกียจเราจะมีแต่คอยว่าเงินจะมาเมื่อไหร่เนยมันมัน ก, มนก็มันก็คงจะเงินมันคงจะอายเราเหมือนกันเหมงอนกันแต่ถ้าเราหานี่ยเราจะทํำยังไงจึงจะหาเงินได้วิธีการยังไงที่จะสแสวงหาเงินได้มันขยันย่างไรจึงจะหาเงินได้ เราทำเหตุพอเงินมันมันก็เงินมันก็มาเองอมันจะมาไหมาทางไหนอย่างไรมันก็จะมาเองตามเหตุของมันที่เราทำดีแล้วนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะผลมัน ก, ก็มาจากเหตุถ้าเรารักษาเหตุดีผลมัน ก, ก็ต้องดีถ้าเรารักษาเหตุรักษาสติให้ดีผลแห่งความสมบมันจะเข้ามาให้พวกเราได้พบได้เจอได้เห็นได้สัมผัส อันนี้ก็คือคณิกะเบื้องตน้นจากนั้นอุปจาระสมาธิเมื่อเราจิตของเราเป็นคณิกะแล้วแล้อุปจาระมันก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆคือเรากําหนดอยู่ที่ไหนจิตใจเราก็อยู่แต่ก็ไม่สงบถึงนิ่งแต่เรารู้ได้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรใจของเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้ใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สาน สติควบคุมใจของเราอยู่เราคิดเรื่องอะไรมันก็ไม่เตลิดเปิดเปิงแต่ว่าให้ใจของเราอยู่อารมณ์เป็นหนึ่งนี่แหละเจตที่ว่าอารมณ์เป็นหนึ่งนี่แหละเราจะพักอยู่ในที่นี้ก็ได้เราจะดูกําหนดดูอย่างนั้นก็ได้ไม่ให้มันปรุงออกไปข้างนอกแต่ถ้าว่าเราจะพิจารณาก็พร้อมที่จะพิจารณาได้ จิตที่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยคือจิตมันไม่หิวไม่หยแล้วแต่ว่าจิตอิ่มตัวก็ใช่จากนั้นเราก็นำมาพิจารณาถึงร่างกายของเราตั้งแต่เกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้เราจะพิจารณาตามกรรมฐานของพระพุทธเจ้าอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านวางให้พระสาวกคือพระที่บวชจำเนนที่บวชใหม่ ท่านให้ท่องเลยว่างั้นเถอะให้ท่องเกสาผมนะโลมาขนหนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณานะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกกระจายสู่ดินน้ำลมไฟนะอย่าไปลุ่มไปหลงกับมานเนอรร่างกายร่างกายของมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายมีอย่างนี้ทุกคนมีผมขนเล็บฟันหนังฟังเอาตอนนี้ก่อน ศึกษาเท่านี้ก่อนต่อไปยังค่อยศึกษาให้ร า, ายละเอียดต่อไปภายภาคหนาอันนี้ก็คือพระอุปชาที่ท่านให้กรรมฐานแก่ลูกศิษย์ที่บวชที่เป็นสมเณีและเป็นพระเรียกว่ากรรมฐานหาเพราะฉะนั้นพวกเราจะนํามาพิจารณาศรัทธาญาติโยมหรือพระเนรที่ได้บวชเข้ามาแล้วเราจะมาทบทวนอีกก็ได้กรรมฐานนี่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้เนี่ย พร้อมที่จะให้พวกเราศึกษาพร้อมที่จะให้ให้เราปฏิบัติพร้อมพร้อมที่จะให้พวกเราค้นคว้าให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจนเกิดความเปื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นให้พิจารณาผมมันเป็นยังไงขนมันเป็นยังไงเล็บมันเป็นยังไงหนังนะ่ตัวหนังในตัวสีสาคัญมากถ้าถลกหนังออกมาแล้วร่างกายของนมนุษย์จะดูได้หรือดูไม่ได้แดงเถืออหมดเลยที่พอดูได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่า หนังหุ้มอยู่โดยรอบเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาถึงหนังแล้ากระจุยที่เรามองดูผุดผาดเสร็จสวยงดงามเพราะหนังหุ้มถ้าเราถลกหนังออกไปแล้วคนนั้นจะสวยขนาดไหนก็เถิดถ้าถลกหนังออกแล้วไม่น่านดูด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะนั้นหนังหุ้มอยู่โดยรอบมนุษย์จึงน่าดูเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง มนุษย์ที่อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของสวยงามนะ เ, เพียงแต่ว่าหนงหนังพุ่มอยู่เท่านั้นเองจึงๆพอดูกันได้ถ้าถลกหนังออกแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยดูดูแล้วน่าเกลียดน่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่อย่างอื่นน่ากลัวอย่างมากมน เ, นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง สรุปแล้วคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ได้ตัดรู้หรือว่าได้รู้แจ้งเห็นจริงพระพุทธองค์แนะนําสอนพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นจริงอย่างไรไม่ใช่ว่าหลอกมาพูดโกหกมาพูดเอาเรื่องไม่จริงมาพูดตามไม่จริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกหาเรื่องมาพูดเฉยเฉยไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น พระพุทเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงจริงไหมพอเพิจารณาจริงไหมให้ถามตนเองถ้าถามคนอื่นเดี๋ยวเขาก็จะว่าบ่ายเพราะได้ถามตนเองจริงไหมร่างกายของเราเนี่ยถ้าถลกหนังออกไปหมดแล้วน่าดูน่าดูไหมถ้ามันตอบความตามความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าดูแลถลกหนังออกแล้วถ้า เล็บออกไปยังไงเล็บอยู่ที่ปลายมือปลายเท้าของเราถ้าคนไม่มีเล็บเป็นยังไงถ้าเล็บออกไปแล้วถ้ามันอยู่ข้างนอกแล้วเป็นไงสวยงามไหมไม่ไม่มีอะไรสวยงามถ้ามันออกจากกายของเราแล้วถ้ามันอยู่ในกายของเราเราก็ตกแต่งอไม่รู้ทาสีอะไรตัวซาสีอะไรบางคนชอบตกแต่งนะแต่ตามไม่จริงมันก็เท่านั้นถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละ เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบอุปจาระสมาธิและให้พิจารณาอย่างนี้ถ้าว่าผู้ที่จะพิจารณานะถ้าว่าเราอยากจะให้พักจิตพักเข้าสู่ความสงบละเอียดลงไปกว่านั้นเถอะเนี่เราก็กําหนดอืกายของเราหรือว่าพิจารณาจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือกาหนดลมหายใจเข้าออกรู้แจ้งเห็นจริงให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ให้จิตปงุฟงฟุ้งไปที่อื่นให้อยู่นิ่งที่เก่านะ กำหนดจุดไหนก็ได้กำหนดหัวใจก็ได้กำหนดความเต้นของหัวใจก็ได้กระดุกกำหนดตูกระดุกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จออยู่ที่ผิวหนังจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ให้เป็นจุดนะที่จะทำความสงบเนี่ยต้องให้เป็นจุดถึงเราจะพิจารณาร่างกายตั้งแต่ข่าเท้าจนถึงศีรษะขยับขึ้นขยับลงพิจารณ า, นาถึงกระดูกทุก ท่อนของร่างกายตั้งแต่ศีชะจนถึงฝ่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นถึงทีตะแต่ที่เราอยากจะให้จิตสงบนั้นเราเห็นกระดูกกระดูกท่อนไหนในร่างกายของเราจุดไหนท่อนไหนหรือว่าเห็นอวัยวะส่วนไหนที่ชัดเจนในความรู้สึกเราเอาจับเอาจิตจับจุดๆุดนั้นอันนี้คือวิธีการที่จะจะทําจิตให้เป็นหนึ่งจิตสงบนะในเมื่อเราจับจิตจุดนั้นจุดเดียวนะมันไม่ขยับไม่เคลื่อนไม่ไปที่อื่น จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิได้ง่ายนะเมื่อรวมจิตตรงไปถึงอัปปนาสมาธิเราจะเงียบเก็บเต็มเรานั่งอยู่ณนะที่ใดเราไม่รู้ว่าเรานั่งที่ใดอาการอย่างไรที่เรานั่งเสียงอะไรที่เราได้ยินไม่ได้รู้ทั้งนั้นรู้แต่จิตกับสติสติกับจิตอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเท่านั้น จากนั้นกิพอได้กําลังพอหมดกําลังสมาธิมันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็รู้เรื่องของกายนั่งอยู่ณนะที่ใดทีนั้นเราก็รู้ได้ด้วยตนเองและจิตสงบประเภทอย่างนั้นรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครถามก็ถามแบบลองเชิงไปอย่างนั้นนะเอถ้าจิตเข้าไปอยู่อย่างนี้จิตสงบใช่ไหมแต่ตัวเองมั่นใจร้อยทางรอย ว่าจิตของเราสงบแต่ถามคนอื่นเขาถามอย่างนั้นถามว่าพิธีการเขาเคยจิตสงบไหมดังนั้นนะแต่ตามไม่จริงรู้ได้ด้วยตนเองจิตสงบอย่างนี้จิตที่เป็นอัปปน า, ส, าสมาธิเป็นจิตที่รู้ได้ด้วยตนเองเรื่องอะไรเราก็แยกส่วนแบ่งส่วนได้เห็นได้ชัดเจนร่างกายกับใจเห็นได้ชัดเลยมันคนละส่วนคนละอย่างกัน คนนั้นครูบาอาจารย์ที่ทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วท่านยังพูดได้ว่าผูดที่ว่าผู้ที่จะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสุูญน่ะจิตเพียงแยกแยะจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิเท่านี้ก็พอจะรู้ได้ต้นปลายสายเหตุว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกัน ร่างกายแตกสลายตายแน่สู่ดินน้ำลมไฟแต่จิตใจนั้นที่จะไปก่อเกิดปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆก็คือนั่นแหละคือใจดวงนั้นแต่จะถ้าหาว่าจะชําระทีนี่จะชําระใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสเราก็มองเห็นอี ก, กว่านี้ต้องชําระใจตรงนี้ถ้าจิตใจตรงนี้มีราคะความกําหนัดกินดีใจิตใจที่มีโทสะโมโหโทสู ใจิตใจตรงนี้มีความโลภ เ, เห็นอะไรก็โลภมีแต่หยากทั้งหมดอยากหยาดอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือตัวกิเลสอยู่ในในนั้นเชื้อมันอยู่ในนั้นกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสโลภโกรธโงอยู่ในใจตรงนั้นถ้าว่าชําระใจตรงนั้นแล้วใจตรงนั้นบริสุทธิ์แล้วเป็นอมตะธรรมแล้วเจนเป็นธรรมทานแล้วใจตรงนั้นก็บริสุทธิ์มีแต่ความสุขเพราะไม่มีกิเลสเข้าไป ก่อขวรเข้าไปลบกวนไปชีน้นําจิตใจตรงนั้นจิตใจตรงนั้นเหนือจากกิเลสกิเลส ต, ตัว น, นั้นไม่สามารถที่จะบริหารเรือว่าจัดการหรือว่าชี้นําชี้แนะจิตใจบริสุทธิ์กันได้เข้าใจบริสุทธิ์นั้นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วอันนั้นคือตัวกิเลสอย่างกิเลส ท, ทั้งหลายเขกระจุยกระจายหนีไปหมดเหมือนกับความฉละเกิดขึ้นมาความโง่ก็หายไปลักษณะอย่างนั้นและความโง่มันจะตามมา หลังควานเรื่องออกมาชี้นาความฉลาดได้ยังไงเหมือนกับเรารู้อ่านรู้กอไก่ขอไข่ข้อขดขอควายแล้วมันจะลืมหลงได้ยังไงอ่อันนี้มันยังลืมหลงได้ถ้าคนไปค้อนทุบหัวซะเออมันขาดสติมันกลับขึ้นมาอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นแปว่ามันสมองมันขาดเกิดแต่ว่าความรู้ของพุทธะหรือว่าความรู้ในใจอันนี้เนี่ย มันรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆมันไม่กลับเกราะเพราะนั้นเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะให้ศึกษาในภาคปฏิบัติจิตภาวนาก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นมานตั้งแต่เรื่องของศีลศีลคืออย่างที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นการวางตัวให้ถูกต้องนะนะการวางตัวให้ถูกต้องอย่างพระในครั้งผมพูดใเจ้า อยากจะมีลาบอยากจะมียศอยากจะมีชันแระเสริเ อ, อเข้าไปกราบพระโมคคลาพระโมคคลาก็ชี้นำชี้นำให้ฟังแต่ท่านก็ฉลาดนะท้าองนั้นท้าวเนี่ยท้าวาปฏิบัติอย่างครูบาอาจารย์บอกเนะเดินไปสู่เอเวทีมหานรกได้ง่ายมากพระโมคคลานะ่ใช่ถ้าต้องการลาบยศต้องเป็นอย่างนั้นทาวา ผู้ต้องการหวังธทรำรต้องปฏิบัติตรงข้ามกันปฏิบัติตรงข้ามกันกับสิ่งเหล่านั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมใจของท่านจะเข้าสู่อมาตะแก่นจะชำระใจให้บริสุทธิ์ดุจพลนด่านนี่แหละสรุปแล้วก็คือที่เบื้องต้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องศีลการเป็นอยู่ทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ย เป็นหลักแก่นที่ให้รู้แจง้งเห็นจริงไม่ให้ลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหะทางว่าพวกเราประพปฏิบัติได้อย่างที่ได้ ก, กล่าวมนนกอความหลุดพ้นก็จะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารถึงพันิพาณในที่สุดทางว่าพวกเราปฏิบัติได้แล้วนั่นแหละ ตัดกิเลสได้แล้วนะนะบวกลมมาสุขมาแล้วแนะถ้าพวกเรายังตัดไม่ได้นะั่นเหมือนกับฟุตบอลนั่นนะกลิ้งไปเรื่อยออกจากชาตินี้กับไปชาติหน้าเกิดมากอีกเป็นอย่างเกา่าไม่บิไม่เป็นอย่างอื่นนะถึงจะสุกยังไงก็ตามสุกแต่เราเสกสรรกันขึ้นมาตนเองให้ความทุกข์ยังรอเราอยู่พอมีสุกรมีทุกมีทุกมีทุกท ก, กินอร่อยเข้าไปแล้วเป็นยังไงอาหารอู้อาหารนีอร่อร่อยนะ ท่านเราเดินทางไปไม่มีห้องน้ำห้องส้วมเลยไปขึงเครื่องทางมันจะออกท่งนจะทำยังไงสุขหรือทุกข์อิ่มอร่อยไหมมันก็มีทุกข์ขึ้นมาอีกอย่างเก่าเพราะนั้นเกิดขึ้นมาแล้ว ถึงจะเกิดในสถานที่มั่งมีสีสุขขนาดไหนแต่บทที่จะตายนะโไม่มีไม่เป็นที่พึงปรารถนาของพวกเราอันนี้ก็เหมือนกันนะในโลกวัตะสงสารมันเป็นอยู่อย่างนี้ถึงจะเกิดมา ก, กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พัน เ, เกิดไม่สูงสงขนาดไหนก็เถอนะมันก็มีอยู่อย่างนี้ ถ้าเราเกิดเป็นคนทุกข์คนยากเราก็มีความทุกข์อย่างหนึ่งถ้าเราเกิดเป็นคนมั่งมีสีสุขเราก็มีผลตอบแทนเหมือนกับมีกระทุกอีกแบบหนึ่งที่จะไม่ให้มันทุกข์เลยนะคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์ดูแล้วเกิดขึ้นมาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บไข้เป็นทุกข์ตายเป็นทุกนะข์คำว่าไม่เห็นที่จะมีความสุขนะเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่าย แล้วก็ถอนกิเลสราคาโทสะโมหะออกจากใจใจก็บริสุทธิ์เมื่อใจบริสุทธิ์ได้เนี่ยเป็นบร ม, มสุขนะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดหยุดเมื่อไหยุดหยุดเวียนว่ายตายเกิดถ้าว่าเรายังไม่ได้ชำระออกไปเนี่ยเราก็เหมือนกับฟุตบอลน่ยกลิ้งอยู่อย่างนั้นในวันตสงสารเป็นอนันตการไม่รุนแรงสักเท่าไหร่เพรา ะ, ะนั้นพวกเราได้พบได้เจอพระพุทธศาสนานันบว่าเป็นผู้โชคดีนะ ได้พบพระพุทธศาสนาได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติก็พยายามสังสมคุณงามความดีสังสมคุณกุศลเอาไว้นะจะตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตของพวกเรากอย่างที่ว่านะเดี๋ยวนี้อายุของเราเท่าไหร่หลวงพ่อกับวันที่27ที่จะถึงหนกสิบปีแล้วนะและจะอยู่ไปอีกทเท่าไหร่10ปีได้ไหมหมาคิดดูแล้วมันไม่ใช่ของสนุกเพลิดเพลินเฮฮาเลยนะไม่ใช่ช่องสนุกสบายเลยไม่มีความสุขเลย เนี่ยเพราะความตายเข้ามาถึงแล้วแต่ทุกวันนี้มันก็ผิดปกติของร่างกายอยู่แล้วจะเดินจะเหินไปที่ไหนจะอยู่จะฉันจะหลับจะนอนมันบอกถึงความทุกข์เข้ามาทุกเวลานาทีว่างั้นเถอะอ่เพราะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สังสมบุนกุศลให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้การพูดการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอยุติเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปนั่งสมาธินัตินี่นะเอานั่ง